ได้เวลานะ้อวันนี้มาถ่ายพักเสียงก็ไปเที่ยวเองเลยเสียงไม่ลักดีชอบนี้เที่ยวมาเป็นไรเสียงไม่ดีไม่เป็นไรเอาดูของดีดีกว่าลมนี่อากาเอบ่าวร้อนแต่ว่าเป็นร้อนกาย ร้อนกายอยู่ได้เมือ่อใดกันตางกันมร้อนใจอยู่ไม่ได้ลนะร้องกายเราจะหาวิธีรักษาบำบัดบรรเทาให้มันเบาบางร้องกายก็จะ ด, ดินฟ้าอากาศแดดเผาทำให้มันร้อน สรก็คือจะความร้อนนั่นแหละจัวความร้อนขั้นใจกันเหมือนกันใจมันเดินเผามันจึงร้อนขึ้นมามันพอทั้งกายพอทั้งใจนั่นตัวที่ดับความร้อนทางใจได้เบื้องต้นก็คือลมหายใจนี่แหละนั่นลมหายใจที่มีความอัศจรรย์มากๆมากสัจจรรย์ม า, ม า, จจมากๆ ลมหายใจที่เรามีอยู่ทุกคนมีอยู่แล้วทํายังไงถึงจะใช้ลมหายใจของเราเป็นประโยชน์สูงสุดลมหายใจธรรมดาลมหายใจมีสามระดับมันคือแบบอยากอย่างกลางแล้วก็อย่างละเอียนลมหายใจมีขั้นมีตอนของมันนะ ลมหายใจหยาบเขาก็มีไว้เพื่อป้องกันตายถ้าลมหยาบไม่อยู่กับตัวใคร ม, มีลมหายใจแสดงว่าตายตายก็คือหมดลมหายใจนั่นเองเพราะฉะนั้นเราอย่าประมาทลมหายใจนันหมดแล้วหมดเลยไม่มีต่ออายุไม่มีเพิ่ม ซ่อมไม่ได้หาที่ไหนมาเติมอะไรก็ไม่ได้นี่คือลมหายใจอยาบมีอะไรรบกันตายแต่ เ, เราก็ไม่กลัวกันอยากมันก็บอกกันแล้วว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นแม้ร่างกายที่จิตใจก็ตามมันจะต้่ค่อยรู้สึกเหมือ น, นเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมาดาเหมือนพฤติกรรมที่ มนุษย์ทั้งหลายที่ไม่เคยฝึกไม่เคยหันไม่เคยปฏิบัติก็คือแสดงเกียอาการแบบยันยาประมาณโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวอันนี้ว่าหยันยาหยันยาต้อง ก, กราบสีนแต่ใครอยากให้มาละเอยขึ้นก็จับสิลอยกเอาสิส 5, ส 8, สลศีลห้าศ8ลแปดศีลอะไรแล้วแต่ มาจัด ก, การกับความหยากอันนี้อย่างกลางมี่ต้งเป็นเรื่องของสมาธิแต่ใครทำสมาธิไม่ได้ก็ไม่สามารถอีเข้าใจลงอย่างกลางนี้ได้ละเอียดที่สุดผมปุยนุ่นเหมือนในรู้ตัวเหมือนอย่างไรนั่นคือ <c oughs> เป็นขนนั้นหยาดเริ่มต้นก็คือให้พวกเราสังเกตดูลงหางใจ สังเกตยังไงเหมือนกับเรานั่งเรานอนปียาอิริบทั้งสี่สมมติเรานั่งท่านนานมันไม่สบายละก็เปลี่ยนนะเราก็ยังเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลานั่งนานาก็เป็นยืนยืนก็เป็นเดินเดินแล้วก็นอนมันก็ผ่อนคลายได้ลมก็เหมือนกันถ้าสูดลมหายใจเข้าเมื่อไหร่ถ้ามันลําบากมันไม่สบาย ม, มันไม่เอื้อคัดมันไม่เป็นธรรมชาติ ก็ตั้งไหมได้มันไม่ได้เสียตังค์สักบาทตั้งลมหายใจก็ใหม่กําหนดลมหายใจใหม่ลมหายใจใหม่ก็คือกําหนดเอาตัวที่มันสบายหายใจแบบสะดวกจะเริ่มเป็นบุญละก็า เ, เป็นสุขะเราเป็นบุญละเมื่อรู้หายใจสบายตามสะดวกแล้วแสดงว่าเรารับเอาบุญละ หายใจเป็นบุญนะถ้าหายใจไม่สะดวกกูเป็นบ า, <c oughs> าปก็แปลว่าเอาบาปพ่อไปเพราะนั้นการที่เราหายใจเข้าหายใจออกบแบบสะดวกแบบสบายมันเหมือนกับนําพระนําครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบดดัติดีปฏิบัติชอบเอาเข้าสู่ร่างกายเพราะฉะนั้นบูรุษเขาบอกเอานึไรไม่เอาพูดถูกเลยล่ะ หายใจเข้าหายใจออกเอาพุทธโธเข้าสู่ร่างกายทําไมงันแล้วมันจะกลายเป็นว่าหายใจเป็นพิษนั่นก็แปล ว, ว่าหายใจอากาศข้างนอกข้างในเราก็สูดอาจารย์ข้างนอกเข้าไปลมหายใจจมูกนี่แหละสูดเข้าไปถ้ามันอาการไม่ดีอาการมันเสียเราก็สูดเข้าไปมันก็เอาของไม่ดีเข้าไปสู่ร่างกายเอาของนอกของเสียเพราะว่าไม่มีสติกํากับ กระแต่งให้มันสะดวกเพราะนั้นสติไม่จึงเป็นตัวบุญหนึ่งอะไรก็ตามที่จิตเราเพราวนาะแล้วมีสติที่ขึ้นมากขึ้นนั่นก็แปลว่าตัวบุญเกิดขึ้นแล้วทำไมถึงบอกว่าเป็นตัวบุญเพราะคุณสมบัติของสติก็คือถ้ามันเกิดขึ้นกับผู้ใดแล้วผู้นั้นจะไม่มีความประมาท เมื่อแก่นมันไม่ประมาทก็แปลว่ามันเป็นบุญนั่นเองมันไม่สามารถจะทำบาปเมืม่อใดก็ตามที่เผลอเรียกว่าประมาทมันก็เป็นบาปคือสามารถจะทําบาปได้ ท, ทุกขณะมันคือบาปทางกายบาปทางวาจาบาปทางใจเพราะมันประมาทอันนี้นคือตัวบุญกับตัวบาปมันเป็นอย่างนี้ตัวตนมันเป็นอย่างนี้ ่เนี่ยจะรู้ได้ไงว่าบุญหรือบาปเกิดขึ้นกับเราตัวที่สต์เป็นเครื่องเอ็กซเรย์เราไม่สบายสมมติเราไม่สบายกายเราก็จะไปตรวจหมอ ด, ดูดูด้วยตาเปล่าไม่เห็นตาเนื้อตาหนาหมอไม่เห็นเพราะเขใช้เครื่องหมายวพิเศษสแกนเอ็กซเรย์ ray, ดูว่าข้างในมีอะไร มันเครื่องสแกนของเราก็เหมือนกันเราก็มีเครื่องสแกนแต่พเราไม่เคยสแกนดูเครื่องสแกนนั้นก็คือสัมปชัญญะมันรู้ตัวอยู่เสมอซึ่งปกติเราไม่ค่อยรู้ตัวทำอะไรมากะมาธิปั้นปร้นเผลอเออนี่เพราะมันสัมปชัญญะคืออิสระมันก็จะรู้ดูข้างในมันเป็นยังไงอารมณ์ที่มันกระทบแล้วมเกิดนั้นเป็นยังไงมันก็เพิ่มไหม ไม่เกิดเพื่อนเรียวภาษามากระทบเพราะฉะนั้นการดูลงหมายใจประโยชน์หรือว่ามันลงตัวพราว่าลงตัวหมายถึงลงที่ใจแล้วตัวนั้นจะเป็นตัวชีวิตเป็นคือเอิงเสด ร, รู้เราก็จะรู้เพราะฉะนั้นเราต้องการให้เรามีสติเพื่อให้เราละอารมณ์ที่ดีก็าตามไม่ดีก็าตามที่มันเกิดขึ้น ซึ่งก็มีสองอย่างนี่แหละที่เราเกิดอยู่ก็คือถ้ามันกระทบแล้วมันดีคือมันชอบมันพอใจมันเต็มเกิดในดีนั่นแหละกระทบแล้วมันไม่ชอบมันไม่ดีมันรังเกียจมันไม่พอใจถ้าสองอย่างนี้ทาหน้าที่หมุนเวียนเปลี่ยนกันมากับชีวิตเราตลอดเวลาเพราะว่าใจเราไม่อยุดตรงกลางนั้นที่เราภาวนาภาวนาในกานั่งสมาธิเพื่อให้เกิดเราเป็นกลางจิตเป็นสมาธิ มันมันเข้าข้างไม่ใช่เป็นกลางอย่างนี้ได้แล้วก็เอ็เรดูเกิดอะไรขึ้นแล้วก็จะเห็นเกิดขึ้นขึ้นมาด้ ว, ว่อธรรมะวิจัยก็คือธรรมะวิจั ย, ยนั่นเองเพราะฉะนั้นคําว่าวิจัยนี้มันเกิดขึ้นมานานแล้วยังไม่มีสมัยเราเมื่อธรรมะวิจัยคือสอดส่องตรวจตาดูแลที่ที่มันผิดปกติที่อยู่ในร่างกายถ้าเราหลับตาแล้วจะไม่ี่ารตาตาหู เมื่อรูปเดี๋ยวนี้มันมองไม่เห็นหลรกการมองมเห็นรูปแล้วแต่สันเวทนาสัญญาสัญการั้นมันทําหน้าที่อยู่มันทําหน้าที่ของมันอยู่เพราะฉะนั้นลมหายใจในจเป็นเรื่องคิดเบื้องตอน้นที่เราจะต้องทําให้ได้นะคือทาตัวให้มันสบายสบายให้ได้ก่อนถ้าตรงไหนไม่สบายตระไห น, นไม่สบายก็อย่าไปทําเปลี่ยนใหม่ได้ตั้งใหม่ได้นั่นกะ็ตั้งใจก็คือตั้งจิตนั่นแหละตั้งจิตใหม่ ก็คือมาตั้งเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นไหมก็ลมหายใจฉันเราพอใจไม่พอใจยินดีไม่ยินดีมากเกินไปสูรลมหายใจเข้าเราเครียดเครียดมากสูดเข้เาก็ดูอย่างเดียวดูกันเข้าดูการออกดูเข้า้ว ก, กันออกแค่นั้นเองความเครียดที่มันมีอยู่ความตึงที่มันมีอยู่มันแสดงออกทางกายอาการทางหน้าทางตามันแสดงออกหมด มันก็จะค่อยๆผ่อนคลายเห็นไหมเรานั่งสมาธิสีหน้าน่าตาทุกอย่างถ้าเราสังเกตเอ่ะมันจะค่อยๆ ค, ค, คลายลงอย่าง Q, คิค้วเคยกระโดดหน้าผากตึงบางไฟล์เเื่อง ค, ความคลายเย็นลงเพราะฉะนั้นใครทําได้อย่างนี้บ่อยๆก็ว่าทาให้เราแก่ช้าลงทำรู้รืงหน้าตาสดใสตรงกานข้ามแต่คนคิดมากเพ่งพินิษเครียด มันก็ค่อยนัาภาคก็จะตึงเข้าเลยมันเครียดร่างกายแล้วมันเป็นปกติไปหมดนะ่เห็นไหมลมลมสำคัญจริงอันนี้คือล ม, ลมยัหยาบๆที่เราดูลมยาบก็บอกมีไว้กันตายค่นั้นเองเรามาดูลมอย่างกลางกเกิดจสมาธิลมอย่างละเอียดคือปัญญาทีนี้ถ้าเราไม่ภาวนานไม่มีทางไม่มีทางจะเขา้าถึงสิ่งเหล่านี้ เพมัเข้าไม่ถึงเราก็ได้แค่หลงหยาบยากันอยู่กันแบบหยาบยาวพูดง่ายๆการใช้ชีวิตประจำันแบบหยาบยาคือแบบพื้นๆธรรมดาๆืองคนทั่วไปเพราะนั้นเวลามีอะไรจะไม่แปลกเลยมากระทบปฏิฆะคือกระทบกระทั่งทางกายก็ดีทางใจก็ดีมันจะเกิดปฏิกิริยาตอบสนองตอบโต้เพราะคนนี้จิตมันไม่เคยสงบ จิตมันไม่มีทางเลือกมันเลือกไม่ออกถ้าจิตที่มันสงบแล้วมันจะก็จะวางได้คือที่วางได้ว่าสติสติมันก็จะมาละคือพูดง่ายๆก็ตัวบุณมันก็จะมาละเออมันใช่ตัวบากมาตัวบุณมันก็จะมาละเออพอสติขึ้นมันจะไม่ประมาทเนี่ยการเผ่านางเราต้องการให้มันมีสติสัมปชัญญะนี่ตัวสําคัญที่สุด งั้นมุสเตสสะปะชันแยกไปเคลืนแล้วสิ่งนี้นั่คือยอดและเป็นต้นไม้กับเรื่องของยอดนะเป็นยอดของต้นไม้มันอยู่ที่สูงทุกวันเรายังอยู่เรื่องรากฐานเป็นการปฏิบัติเรื่องรูปงานมันพื้นพื้นมันเป็นแค่รากแค่โคนแล้วก็สารวัตเหรียญถ้าเปรียบกันทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญามันก็อยู่แค่พื้นพื้นแค่ต่ําๆ ถ้าใครเอาแค่ศีลอย่างเดียวมันก็แค่พื้นพื้ๆทั่วไปธรรมดาปรับพูดง่ายคือปรับสภาพร่างกายจิตใจของเราให้มันปกติทําตัวให้เราปกติอันนี้คือศีลโดยปริยายโดยไม่ต้องไปขออะไรกับพระอันี้เมื่อศีลมั่งคงแล้วความไม่ตกกัลอื่นมันไม่มีเราสำรวจดูตาแล้วว่าทางกาย ทางวาจาทางใจเป็นทางกายดูด้ว่าเราพฤติกรรมแสดทางกายไหมทางวาจา ไ, มไหมทางใจที่เรียกว่าสัญญาอารมณ์ดูซิว่าใจในขณะนั้นมันอยู่กับอารมณ์อันไรตรวจด่าดูสัพชัญญะเป็นตรวจสบสองดูเลยตรวจด่าดูดูว่าจิตในขณะนั้นมันไปเกี่ยวมันไปคล้องมันไปติดอยู่กับอารมณ์อันไดอารมณ์ ธรรมชาติก็อารมณ์มนุษย์ทั้งลายฝากไว้กับอดีตอนาคตส่วนปัจจุบันเราค่ได้ดูนั่นก็แปลว่ามันเกิดสัญญาขึ้นมาเกิดความจําขึ้นมาจําเรื่องอดีตทั้งหมดทั้งดีทั้งไม่ดีทั้งของเขาทั้งของเราซับปั๊บไปหมดมันก็จะจมอยู่อย่างนั้นส่วนปัจจุบันไม่ดูเมื่อไม่ดูปัจจุบันมันก็แก้ไขตัวเองไม่ได้มันเรื่องทั้งหลายเลยมันจะเอาแต่เรื่องเกา่า พูดก็พูดเรื่องเกา่าคิ ด, ค, ดคิดเรื่องเกา่าส่วเรื่องปัจจุบันอยู่ไม่เอามันก็แปลว่าหาความดีหาความไม่ดีในอดีตซึ่งมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยมันก็เกิดประโยชน์อะไรเหมือนกับดูความดีความไม่ดีของคนอื่นเนมื่อจิตออกนอกเป็นอย่างนั้นความดีความไม่ดีของคนอื่นเห็นหมดสูงต่ำดังขาวมีอาการหยาบคายรู้หมดเลยอันนั้นดีอันนี้ไม่ดีรู้หมด แต่ว่าไม่ได้โอปันญิโก้คือน้อมก้าตัวเองไม่ได้ดูว่าเออเราเป็นยังไปงปัญหาการที่เราดูคนอื่นจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยน้อยมากคือประโยชน์น้อยมา ก, ย, ย, มากยกเว้นเห็นคนอื่นแล้วโอปัะญิโกคือน้อมก้าตัวเองหันข้งางตัวเองว่าเออการดูคนอื่นไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะต่อให้รูตั้งแต่เกิดจนตายก็ไม่ได้อะไรแต่ถ้าดูตัวเราเองเป็นประจำทุกวันทุกวัน เรจะเข็นข้อดีข้อด้ยอยของตัวเราเองแล้วก็แก้ไขปรับปรุงพฤติกรรมสิ่งเหล่านั้นนั่นนะคือประโยชน์ของการภาวนามันไม่ใช่แค่ว่าหลับหูลัตาอย่างเดียวประโยชน์มันเยอะมากเยอะมากๆ า, กมากไม่ใช่เยอธรรมดาเรื่องนี้พระแม่ครูอาจารย์เราเป็นพิสูจน์มาแล้วทําให้เราดูมาแล้วเป็นตัวอย่างเรียกว่าสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกที่ได้ยินได้ฟังแล้วแวน้อมนํามาสิเหล่านั้นมาปฏิบัติ จนรับอะไรส่งหรือ ว, ว่าผลในการปฏิบัติ น, น, นั้นผลอันนี้มันก็ามาจากเหตุเหตุคือการกระทําของเราเนี่เองอันนั้นนีคือกรรมทั้งหมดนี่คือกรรมถ้าจะแก้กรรมก็ต้องแก้อย่างนี้มันจะไปอ่านพระวัดนวนวันนีน้วันนู้นไปแก้กรรมมันมันแก้ไม่ได้จำได้ปฏิบัติแก่อดีตแก้อนาคตมันแก้ไม่ได้เราจะไปคิดจะไปพูดจะไปทำอะไรที่พระพุทธเจ้ามาสอนเราเลยลืม เรามีเรื่องเกิดขึ้นมาเนี่ยแทนที่อันดับคนต้นๆที่เราจะคิดถึงคือน่าถึงพระพุทธเจ้าน่าถึงพระธรรมน่าถึงพระอสองฆ์ไม่มีเลยเราจะเป็นได้าถึงแต่ความดีความไม่ดีของกันและกันนะเห็นไหมแล้วถามาของกันและกันครั้งตัวเองด้วยพรามผู้อื่นทั้งคู่คนด้วยธรรมาทั้งคู่น่ะมาตรฐานไหมมีอะไรเป็มาตรฐานไห ม, ม, ไ, ม, ม, ไ, หมไม่มีเลย กิเลสก็ปุถุชนธรรมดาแล้วจะไปตื่อทําไมแล้จะไปหาเอาอะไรซึ่งเราก็มีทุกอย่างไม่ต่างกันเลยเะนั้นเมื่อเราอย่างนี้แล้วจิตมันก็จะสะดุ้งมันก็จะเว้นกายตัวเองนั้นเมื่อพุทโธเกิดขึ้นกับตัวเราเองแล้วพุทโธมิจฉาบอกว่าก็จะการทำให้เรารู้ตัวมากขึ้นเมืราตัวอะไรเกิดตัวรู้อ่ะเมื่อตัวตัวรู้นั่นแหละ คือครูอาจารย์เอาตัวนั้นมาพิจารณามาอบรมตัวรู้ก็คือวิชาก่อนหน้านั้นเป็นอวิชาคือมันไม่รู้มันมืดมันบอดเหมืนอมนคนหลับตาเนี่ย ม, มองไม่อะไรเป็นอวิชามันไม่รู้ไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจใน่เห็นแ น, นี้ก็เหมือนกับเราเกิดอวิชากับรูปร่างกายธาสี่ขันธ์้าของเราเนี่ย มันไม่รู้ว่าธาตุสี่ขันธ์ห้ามันมีคุณมีโทษมีประโยชน์อย่างไรเพราะเราไม่เคยดูไม่เคยพิจารณาไม่รู้ว่าธาตุสี่ขันธ์ห้านนี้นะมันเป็นทั้งเหตุและผลอยู่ในตัวมันเองแต่ทําไม่ดีใช้ไม่ดีก็อย่าไปโทษมันนะมันก็มีแค่นี้ทุกกันทุกคนไม่มีใครดีไปมากกว่านี้หรือไม่มีใครแย่ไปมากกว่านี้มีเหมือนกันหมดอะดินน้ําไฟลมมีเหมือนกันหมด นีม่มีใครที่จะไม่มี ส, สิ่สสงเหล่าน네ี้เพราะนั้นเมื่อขนดลมหายใจก็ออกเสร็จแล้วก็เหมือนกันเรารักษาตัวเราเองรักษาทุกอย่างที่เป็นภายนอกภายในตัวเองนั่นก็แปลว่าเกิดการรักษาขึ้นมาเรียกว่าธรรมะรักษาธรรมารักษาเกิดขึ้นแล้วเราก็สิ่งที่มันไม่ดีมันป่วยจิตมันป่วยมันก็จะค่อยดีขึ้นเพราะเรารักษาด้วยธรรมะ กายเราป่วยเป็นบาดแผลถ้าเราทิ้งไว้โดยไม่รักษาเลยปล่อยให้มันหายไปเองธรรมชาติมันก็อาจเป็นไปได้แต่ถ้าเราใสาไม่ดีมันก็จะเน่ามันก็จะเปื่อยเป็นไหมอันนี้อันนี้คือภายนอกภายในก็เหมือนกันเจ็บใจเราเน่าเปื่อยเพราะไม่เคยรักษาไม่เคยดูแลปล่อยปะละเลยไปตามธรรมชาติก็มันมันไม่ได้เมื่อเรามีลูกมีหลานไม่อบรมสั่งสอนแล้วลูกหลานเราจะดีได้ยังไง เอาดีไม่ได้สุดท้ายก็ปล่อยประณฑ์ธาตุกรรมเป็นธรรมชาติจิตของเราเนี่ยคือเหมือนกันถ้าไม่ได้รับกันดูแลเยียวยารักษาให้ถูกวิธีคือมันไม่มีธรรมะธรรมะไม่เกิดขึ้นในใจแล้วจิตมันก็เน่ามันก็เสียทําอะไรไปทำแต่ของที่เน่าเน่าของเสียเสียทำเรื่องเสียเรื่องเน่าอยู่นี่ตลอดเวลาะกายก็เน่าวายชาก็เน่าใจก็เน่ากลายเด็ของเน่าของเสีย เพราะนั้นเพื่อให้เกิดความนอกคาเสียคืออัตมาระมันเป็นตัวราาักษาของรักษากายราาักษาวัชรรักษาใจส่วนเรื่องศีลสมาธิปัญญาไม่ต้องไปห่วงมาเลยไม่ต้องไปคิดว่าศีลจะต้องเป็นอย่างนี้สมาธิต้องเป็นนี้ปัญญาไม่ต้องเลยมันจะเป็นเพรมันอัตโนมัติแล้วมันก็จะรู้ขมันเองเมื่อมันแย ก, กออกมันก็จะแยกว่านี่คือกายนี่คือใจมันจะเข้าใจเนะมือเเม่อเราอ่นหนังสือเมื่อเราอ่านหนังสือ เรเห็นข้อความด้นนี้โน่นเป็นอนะไประมวลภาพเสแล้วออกมาเออเราเข้าใจในสิ่งที่เรารู้ก็เห็นนัน่นสมาธินี่ก็เหมือนกันสิ่งที่มันเกิดขึ้นภายในเราจะเข้าใจเรื่องธาตุสี 5, ่ันธ์ของเรานี่เป็นยังไงอันเป็นภาระหนักนะาหนาสั่ขนาดไหนต้องแบกต้องดูแลต้องรักษาเราจะเห็นทุกทุก ข, ของขันธ์นี่แหละแต่ละขันธ์แต่ละกองแต่ละอย่างทุกวันเราไม่เห็น นั้นครูอาจารย์นะบอกว่าไม่เห็นทุกข์มันก็ไม่เห็นธรรมก็ไม่เห็นธรรมะเพราะเราไม่อยากพทุกข์เกิดขึ้นเราไม่อยากให้มันมีแค่เกิดก็ไม่อยากมีคือไม่ดูไม่พิจารณาไม่อะไรอะไรกับทุกข์อยากทุกข์มันก็อยู่อย่างนั้นเราไม่อยากทุกข์แล้วมันมันหายต่นี้มันก็ไม่หาย นั้นวิธีจะคือต้องรู้รู้ทุกข์ให้เข้าใจนะครสามารถจะอยู่กับทุกข์นี้ได้ไม่มีใครเลยที่ไม่มีความทุกข์เพราะถ้าเราเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาครั้งใดก็าตามให้ทั่งไว้เสมอว่าไม่มีใครในโลกนี้เลยที่ไม่มีความทุกข์ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นมันก็ไม่แปลกเราก็เป็นหนึ่งในนั้นแสดงว่าเราไม่ได้โดดเดี่ยวเราเป็นเพื่อนเยะเพื่อนทุกข์เนี่ยเพื่อนเยอะเลย เพราะนั้นความทุกข์นี่มันสอนเราให้เราเข้าใจตภาะวะความเป็นจริงอย่างน้อยบางทีก็ทุกเกิดขึ้นสมารถเราแก้ไขปัญหาทุกได้เหมือนเราแก้ไขทุกวันตุวันเราก็แก้ทุกทุกวันกินข้าวปลาอาหารเข้าไปเนี่คือการแก้ทุกข์กินน้ําเข้าไปมันแก้ทุกข์มันหิวมันกระหายเพิ่มเติมเข้าไปเพื่อไม้มห้ทุกข์เกิดขึ้นเพื่อไม่ให้ก เ, กเหวทนาเกิดขึ้นเ น, นั้นเอง แต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ไม่รู้จักทุกดันั้นครูบาอาจารย์สอนพุณูเราให้อย่างน้อยเราเป็นประสงค์เราจะต้องให้รู้จักทุกกันได้รู้จักทุกดูได้อย่างไงเอาลองดูการกินการดืม่มลองดูดถ้ามันเคยกินลองไมให้มันกินมันจะเป็นยังไงมันเคยกินข้าวลองไมให้กินข้าวเป็นยางไงเออดันจะเข้าใจทุกแลืมอันนี้คือเรื่องของเรื่องของกาย เรื่องของใจเรื่องของใจลองดูได้อีอยทั้งหมดอ่ะเมือน่เพูดเรื่องกินเรื่องนอนร้องฝึกจนีนอนมากๆนอนเยอลองนอนน้อยสติมันจะเข้มข้นเวลามันกระทบเนี่ยมันจะเอาไม่อยู่มันก็จะไปมันก็แสดงปียกรรมมันก็จะออกทันทีเลยเพราะสติมันเร็วมันเร็วกว่าคนอื่นคนอื่นคิดได้หนึ่งเราคิดได้ห้าหเจ็ดแล้ว อย่างนี้เป็ออนมันเร็วมันจะไปกว่าทิา้งทางไกลว่าเอ๊ะทำไมเรื่องเล็กน้อยเกิดทำไมคิดให้ออกไกลๆเป็นความวุ่นวุ่นนะเป็วามฟุ่นซ่าเ น, นี่ย น, นะอย่างนันดับมันะจะ ด, ดับไม่ได้หละพวกเขาไม่เข้าใจให้มองดูสติกลับมาดูเต็มเลยอ๋อสติเราเริ่ม อ, อ่อนละถ้าเป็นอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะอืต้องอยู่กับมันนะอะไรเกิดขึ้นแล้วต้องอยู่กับมันให้ได้อให้มันเป็นธรรมชาติให้ได้ถ้ามันผิดธรรมชาติเมื่อไหร่ ก็บปรี้ยธรรมชาติมาลงโทษแล้วนะเพราะนั้นมันลงโทษจะไปโทษกนะันยจะไปโทษ ธ, ธรรมชาติมนุษย์เนี่ยเป็นคนยอดของกันขี้ตู่เลยมนุษย์เนี่ยเวลามีภัยขึ้นมาอาุาทกภัยก็ดีว่าจะภัยอคีภัยทั้งอย่างทุกอย่างอย่าอาคีภยัยก็เพราะเขาได้โทษตัวเองอาจจะไปโทษคนอื่นนะจริงๆแล้วมันต้องโทษตัวเองเราต้องหันมาดูตัวเองว่า สิ่งเหล่านั้น ท, ทั้งหมดทั้งมวปัญหานะั้นมัเกิดจากอะไรต้องลําดับขั้นตอนความดีความไม่ดีความปิดถ้ามันรับขั้นตอนตโอ้แท้ทีจริงเราเราคือเราพวกเราทุกคนแท้ที่จริงแล้วเรานะี่คือตัวปัญหาไม่ใช่คนอื่นปัญหาคนอื่นมีปัญหาก็เป็นเรื่องของเขาไม่ได้เกี่ยวกันเลยเกี่ยวกับเพราะว่าเราเอาปัญหาของอื่นมาใส่ใจเราท่านั่นเอง แต่ถ้าเราไม่เอาพระหรือไมใส่มันก็จบแต่ตัวปัญหาจริงๆคือตัวเรานี่แหละยืนเดินนั่งนอนมันเป็นปัญหาไปหมดทําให้เข้าใจในชีวิตไม่เข้าใจในธรรมะไม่เอาหลักธรรมําสอนของพระองค์มาปฏิบัติมันก็ตัวเองก็จะกายเป็นปัญหาโดยที่เราก็มารู้ตัวเราเกิดคิดไปเราไม่ใช่ตัวปัญหาไม่ใช่เราเองเองนี่ยตัวปัญหาเรามาลองดูเขาจะดูวิธีการยืนเดินนั่งนอน เราพิจารณาเราใช้อันเป็นประโยชน์รู้ยันนอนนะลองฝึกจะนอนมากนอนน้อยลงหรือลองไม่นอนเลยมันจะเป็นยังไงเราจะเห็นข้อเปรียบเทียบนะโดยเฉพาะคืออารมณ์ที่มันกระทบมันมันจะเร็วกวตรกันธรรมชาติมันก็จะเร็วแต่มางทีทรมานนิดนึงเพราะอ่อนเพลนธรรมชาติมันฝืนธรรมชาติแต่ที่ทำต้องการให้เรารู้ต้องการถ้าพูประสาง่ายๆต้องการดัดสันดาน อย่างครูบาอาจารย์เขบอกเวลายันปุตืออยากอยากฉันอะไรเรียกว่าชอบอะไรกินเนีมันเต็มที่เลยกินเนีมันอู้ออกมาเลยดูว่ามันมันชอบมันเกิดจากอะไรมันพอใจเกิดจากอะไรมันยินดีเกิดจากอะไรเออเราจะรู้ว่าโอ้มีสจะจะเอารู้ละพอละอิ่มแล้วนะต่อไปก็พอรู้จักพอละเนี่ยครูบาอาจารย์ทรมานทรมานอย่างนี้มันอยากนอนมากใช่ไหมเอาทรมานมให้มันนอนออื มันอยากเดินมันอยไม่อยู่ทำมาันนั่งอยู่เฉยเมันอยากทํา น, นั่นตอนนี้มันนั่งอยู่เฉยสุดท้ายจิตที่มันเคยปรุงมันเคยแต่งไปตามความหวั่นไหวไปตามความสัญญาอารมณ์ได้มารับมาสัญญาอารมณ์เกิดจะกภาษะเกิดจาการกระทบเกิดจาการขึ้นไหวไปมานี่แะเราจะเห็นว่าอแท้ที่จริงแล้วปัญหาจริงๆเกิดจากการขึ้นไหวไปมาของคนเราโดยเฉพาะคือใจใจของเรามันขึ้นที่เร็วไปเร็วใจเร็วเร็วมากๆ ชัดเจนไม่มีสติกำกับมันออ ก, มก็เกิดความประมาทพังพานเสมออย่างเนี้ยต้องการให้เราฟุตเราให้มีสติสติสติสติอยู่เสมอเนีย่ยถ้าเราไม่มีสติอะไรทั่งวาเลยเออมันไม่บุญนะไม่มีสติอะไรกับบุญมันก็ไม่เกิดอะไรว่าบุญกุศลไม่เกิดถ้าคนใดไม่มีสติถ้าคนใดมีสติแล้วบุญกุศลมันเกิดสติมันเกิดเพราะอย่างนี้เพราะวุรสตังมันไม่ได้พูดเึงเลย สตังทำอะไรไม่ได้เลยสตังสู้สติไม่ได้หามาตะไรก็ไม่พอใช้เท่าไรยิ่งหมดตัวสตังอย่นี้นะตัวสติใช้เท่าไหรไม่มีวันหมดยิ่งเพิ่มไม่หม ด, ดยังพอมันยิ่งเพิ่มเพิ่มเพิ่เพ่มเพ่มไม่มีลดเลยสติอันต่างกันเพราะนั้นเราใช้แต่วันเราใช้อะไรมากไปกว่ากันใช้แต่สตังสติไม่ค่อยได้ใช้เพรานั้นก็ชีวิตประจำวันของเรา นำจากนี้เป็นเรื่องไปใก้เข้าบรรษาแล้วข อ, ขอฝากผู้เราเพื่อขึ้นเตือนสติว่ะอะไรที่เราเคยทํามาทั้งหมดทั้งมวลตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาประมาทปังพลาดเพ้อเมื่อไปจากนี้ไปจะเป็นหน้าที่เองเราจะต้องกําหนดกายวาจาใจของเราให้มันระมัดระวังสำรวมมากยิ่งขึ้นให้มันเข้มงวดมากยิ่งขึ้นรานั้นพระสงค์ของพระเจ้าช่วงระยะเวลาจากนี้ไปท่านไม่ให้ไปไหน ให้อยู่กับที่ระยะเวลาสามเดือนเป็นโอกาสที่สำรวจตรวจตาทดสอบตัวเองว่าจิตใจเราเป็นยังไงมันเป็นยังไงแล้วให้ดูจิตของตัวเองพิจารณามันทีทุน่นให้เข้าใจจนเกิดแสงสว่างคือปัญญาคือความรู้ขึ้นมาไปไหนความรู้นี้มันจะต้องเปลี่ยนเป็ น, ปนรูปในธาตุสี่ขันง์ห้าอันนี้มันจะมีความรู้พิเศษความรู้ที่เราไม่เคยรู้มาก่อน คิดไม่ได้มันก่อนมันจะพุ่ขึ้นมาเองในใจจึงเรียกว่าวิชาจารณะสัมปันโนอืมวิชาเกิดความรู้ขึ้นมาจารณะเกิดจะกความประพฤติแหละไม่รู้เสัมปันโนมันเป็นความเต็มพร้อมมันสมบูรณ์อืมเมื่อจิตมาสมบูรณ์แล้วมันือว่าเพราะแมครูบาอาจารย์นะจิตสมบูรณ์เต็มบริบูรณ์สมบูรณ์แล้วท่านไม่มีอะไรจะทําทเหมือนกับเวลาทํางาน ทำงานเสร็จแล้วก็ไม่ต้องไปทาอีกแต่งานของเรายัางทำไม่เสร็จกิจที่เราจะต้องทำอีกมีอีกเยอะแย ะ, ย ะ, แะมากมายเพราะว่าเรายังไม่เสร็จภารกิจตั้งเข้าใจอย่างนี้เมื่อไดก็ตามที่เรากิจทางใจมันเสร็จแล้วมันหมดแล้วไม่มีการไม่มีงานแล้วมันจบทุกอย่างแล้วถือว่ากเสษียแล้วเหนือสิ่งเหล่านี้แล้ว คือมันอยู่เหนือปัญหาแล้วมันอยู่เหนือสุขมันอยู่เหนือทุกข์กายบุญบาปที่เราสะสมมาสะสมมาจิตมันวางตัวเป็นกลางมันทิ้งหมดเลยจิตมันไปได้นะมันก็จะเบาจึตมีกําลังจิตมีพื้นฐานเพราะนั้นเราจะ ม, มัวพังอยู่กับบุญอยู่กับบาปอย่างใดอย่างหนึง่งหรือทั้งสองอย่างนะเราก็จะอยู่กันอย่างนะจะเรียก ว, ว่าคน ก็คือรับคนคนเ ป, ปรอะคนกันมาค้าเข้ากันมาอยู่อย่างนี้จนแยกไม่ออกว่าอะไรเป็นอะไรเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ภาวนาไม่มีทางที่จะแยกออกภาวนาเมียปัญญาปรราัญญาที่เกิดจากภาวนาถือเป็นพานาที่สุดยอดดีควาจิตต์เมียปัญญาสุตตปัญญาปรราัญญาคือปัญญาเกิดจากการคิดเกิดจากการฟังพอคิดคิดเองแกฟังก็ให้รู้เองแต่ว่าภาวนานมียปัญญา มันจะรู้มันจะเป็นของมันเองโดยอัตโมัติคือเกิดขึ้นภายในทางใจเพราะฉะนั้นปรญษานี้ก็ฝากพวกเราทั้งหลายเพิ่มความเพียร น, นี้หนึ่งหรือว่าอะไรก็ได้ที่เป็นสัจจะอธิษฐานมันเป็นบรารมีอย่างหนึ่งเหมือนกันนะเร็วสัจจะบารมีถ้าเราทําได้ทีนี้ถ้าเราทําได้ไดสมมติปัญสาการนี้เราอธิษฐานยอย่างใดอย่างหนึง่งแต่ว่าตามกําลังนะอย่าทำเกินกําลัง ท่าที่เราทำได้ท้าทากายวาจาใจเราทําได้ตามกหลังแล้วมันจะเป็นสัจธรบบรมีแล้วเราสามารถที่จะเอาตัวนี้เป็นข้ออ้างก็เรียกว่าอธิษฐานจิตโดยสัจธรรมีนี้เราทําอะไรกี่การแล้วก็ตามก็จะสําเร็จประโยชน์ด้วยสัจบารมีมีความําคัญนะเพราะฉะนั้นราษานี้อะไรที่เราทําได้จนทานศีลภาวนา แต่ตัวทุกขันก็คือตัวที่ไม่ลงทุนอะไรคือภาวนาเ น, นี่ยทานอะไนี่ยต้องลงทุนศีลคือเหมือนกันลงสมาทานต้องลงทุนแต่ว่าภาวนาเนี่ยมันต้องลงทุนอะไรเอาของที่มีอยู่ด้วเพราะนั้นตั้งหลักอธิฐานเอาไว้วา่าอย่างน้อยที่สุดก็ไหว้พระสวดมนต์อย่าให้ขาดสมมุติอย่าให้ขาดอย่างนี้ก็ถือว่าสัจจะบารมีนะเถือว่าจะนั่งภาวนาทุกวันจิตสงบไม่สงบช่างมัน เพราะนั้นทุกวันห้าที่ยี่สิบหรืสามสิว่ากันไปให้ได้ต่างที่เราคิดไว้ตั้งไว้อย่างเรียกว่าตั้งใจสิที่เราตั้งแล้วเมื่อมันมั่นคงแล้วคือใจมันตั้งแล้วเราสามารถคิดเดินต่อไปได้ทุกวันในใจมันไม่ตั้งมันคนเมาเดินเป๋ไปเป๋มาเซไปเซมามันไม่เที่ยงใจมันไม่เที่ยงแล้วมันจะไปเดินไปข้างหน้าได้ไงกล้าแล้วข้างหนึ่งกล้ากล้าเข้าหลงหนึ่งกล้าโตลูกก็อยู่กับที่นั่นแหละ ไม่ไปไห้ไม่ไหนจิตเราเราก็เหมือนกันมันไม่มั่นคงวอกแวกวอนไหวไปตามสัญญาอารมณ์นี่มันกระทบใจเราหรือว่าตัวเรามันถึงไม่ไปไหนไม่ไหนมันไม่ได้พัฒนาไม่เพิ่มไม่เจริญพูดง่ายๆคือไม่เจริญขึ้น่เองแต่ที่มันไม่เจริญก็เพราะว่าเราไม่เจริญสติไม่เจริญกรรมฐานการเจริญสติคือดูลมหายใจนี้ ดูสติเนี่ยท่านจะเรียกว่าอาณาปณสติทีนี้กายยคตาสติเราดูลมสติกับลมร้อนใเป็นกายคตาสติสติที่อย้อยู่กับกายพูดง่ายอย่างนี้กายกายายาบนี่แหละตัวสองอย่างนี้มันพร้อมเมื่อไหรน่นะความบุญความเย็นความเป็นปกติค ว, ความเป็นคนเป็นมนุษย์มันก็จะเกิดขึ้นเป็นที แปลว่ากายเย็นกายปกติก็ยังไม่เดือดรอนะ้อนน่ะถ้ากายมันร้อนลำบากจิไกตไ ม, จไม่ปกติลำบากเห็นไหมจิตไม่ปกติแต่เราเห็นทั่วไปก็เช่นคนบ้านนะาเรียกคนปกติเนะพราะจิตไม่ปกติ เมือ่อเราเนี่ยจิตของเราก็เช่นเดียวกันถ้าละเอียดไปทานสินสปัญญาแล้วจิตมันปกติมันไม่บอลไว้สั่นคลอนไปตามสัญญาอารมณ์นั่นคือเป็นจิตที่พึงปรารถนาและเป็นจิตที่พวกเราควรจะเข้าถึงหาไนดะ้ในประสาทการนี้เราจะได้เห็นข้อแตกต่างของจิตธรรมดาคือจิตเพื่ปกติกับจิตที่มันได้รับการฝึกฝนพัฒนาแล้วเหมือนกับคนเรา แต่ใครก็ตามที่ผ่านการฝึกแล้วการทํางานมาันก็ง่ายเรียกว่ารู้งานต่างกับคนที่ไม่รู้งานมันก็สเปะสปะไปเรื่อยมิงานก็ฝากพวกเราทั้งหลายสำหรับภาษาการนี้ตั้งจิตอธิษฐานอย่างใดอย่างหนึ่งให้ได้ให้เป็นสัจจะบารมีให้ได้อ น, นี้เป็นหนึ่งในบารมีที่เราสวดสวดกันได้ในสิบท่นานฐานะบารมีก็ทางนี้เป็นอย่างหนึ่งสัจจะบารมีก็เป็นทางอีกหนึ่งมันตั้งศิษย์อย่าง เอาอย่างนั้นอย่างหนึ่งก่อนก็ได้ก่อนเนี่ยเป็นการสร้างบารมีบารมีสุดท้ายบารมีทั้งหมดมันเต็มแล้วเราก็ไม่มีอะไรที่ต้องไปทำอะไรอีกแล้วเหมือนนั้นปัญหากันนี้ก็ฝากไว้เพื่อเป็นการเตรียมตัวให้คิดไว้ก่อนนะ่ะเออเข้าปัญหาเ น, น, น, น, นี้ยานะเราจะต้องทําอะไรวางแผนมาวา ง, วางลองทดสอบดูอะไรที่เราพอจะทําได้บารมีตัวไหนที่ทําได้ไอ้บทไหนที่เราทําได้ ภาวนาอย่างไรที่เราปล่อยทําได้ก็ขอให้ตั้งใจอย่างอย่างอย่าเป็นลังเลอย่าไปสงสัยอย่าไปวันนั้นวันนี้วั น, นอย่าผัดปันประกันพุ่งเพราะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ลมหายใจหยาบนี้มันไปหายใจมันไม่เข้าหายใจมันไม่ออกนั่นก็แปลว่ามดลมลมไม่เข้าลมไม่ออกหมดเลยนะอาการอย่างนี้ถ้าใครไม่เคยเจอไม่เคยพบไม่เคยประจุจับไม่เข้าใจแ้าใคร พบปะสบรู้ใจเองแล้วมันเป็นจัดตังค์มเฉพาะตนมันจะเข้าใจหรอหายใจเข้าหายใจออกหายใจปลอมไม่เข้าตายหายใจออกมันไม่เข้าตายเห็นไหมภายในแผลน้องเป็นอย่างนี้ลมหายใจเราใช้ลมหายใจของเราให้เป็นประโยชน์สูงสุดอเราก็จะได้เข้าใจในรูปร่างกายของเราอันนี้นัเข้าใจเรื่องกายเรื่องว่าจจเรื่องใจของตัวเองนั่นแหลคืออานิสงส์หรือเป้าหมาย ตัืว่าผลแห่งการปฏิบัติธรรมของเราก็ขอให้พวกเราทั้งหลายได้นานำคำอยนี้ไปพิจารณาแล้วก็ทําให้มันสําเร็จประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งสำเร็จประโยชน์คือแปลประโยชน์ขั้งแรกกันหนึ่งประโยชน์ตนเราก็จะได้ละแต่นะเกิดมาเป็นคนเป็นมนุษย์เนี่ยให้เป็นประโยชน์มีประโยชน์ตนประโยชน์คนอื่นมันจะเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นที่พึ่งได้ประโยชน์อย่างยิ่งคือประโยชน์ภายหน้าเประยนภายหน้าเรามีทนละ ที่จะไปต่อสู้ที่ไปอยู่วไป้างหน้าถ้าเรายัางไม่หมดไม่พ้นอย่างนี้มันจําเป็นที่ต้องใช้สเสบียงเครื่องอยู่อาศัยปัจจัยที่ไปใส่ข้างหน้านอกจากบุญแล้วไม่มีอะไรเลยปเป็นที่พึ่งนอ ก, กนเราเพราะนั้นหลวงปู่สินเทนโบบุญเป็นที่พึ่งของสั์ทั้งหลายถ้าเราไม่มีบุญก็ไม่มีที่พึ่งบุญเกิดจากอะไรเขาเกิดจากสตินี่แหละเป็นเหตุการณ์บุญถ้ามีสติอะไรก็เป็นบาป อันนี้คือสาร้อยธรรมที่ฝากพวราทั้งหลายก่อนเข้าพรรษานี้ก็ให้ไปคิดพิจารณาแล้วลองตั้งใจดูว่าพรรคนี้ตั้งในใจก็ได้ไมันจะมีน้ำบอกใครก็ได้อันนี้แล้วภพพญายที่ปฏิบัติตามสเหลานั้นก็จะเป็นความมหัศจรรย์ของัจ้าอาถรรพอันนี้ อ, อยากให้พวกเราพิสูจน์ว่ามันมหัศจรรย์ยังไงมันได้ผลยังไงแล้วพวกเราก็จะรู้ด้วยัเองเพราะสิ่งเหลานี้เป็นปรับจัดตามคือรู้เฉพาะตนนั่นเองอสาหรับค่ำคืนวันนี้เขาฝากเอาไว้ตรง น, นี้น